ขอให้ยาติชมจงเจริสติสร้างความเริ่ดรู้การหายใจเข้าของตัวเองให้ต่อเนื่องกันตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวให้ได้ทุกอรุรยาบทจ น, ทาทานรู้ท่อทันจิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะอาการของความคิดที่โผล่ขึ้นมาพงแดงจิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกอรุรยาบทใหม่ๆเราก็ต้องวางฝ่าละหน้าที่ทุกสิ่งทุกอยา่าง มันทั้งเจ็ดน้อมเขาไปรู้ในกายของเราการเกิดของจิตนั้นเขาก็มีอยู่แล้วจิตของเราเดี๋ยวเขาคิดไปเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีก็อาการของความคิดผุดขึ้นมาปรงแต่งจิตซึ่งเขามีมาตั้งนานถึงเรียกว่าอาการของขันท่าจิตติคิดปรุงแต่งส่งออกไปเรียกว่าสมุทยัยหรือว่าเข้าหลักของอริยสัจสีทุกคนก็กปักใปทุกคนก็สนใจแต่กําลังสติมีน้อย เราต้องไปยามสร้างความระลึกรู้ตัวให้ต่อหนึ่งถ้าความระลึกพลังเผอแล้วก็ระลึกขึ้นมาใหม่ระลึกรู้รู้ไม่ทันเราก็รู้จักควบคุมจิตของเราจิตของทุกคนก็ปักป้ายในหมทหมั่นทุนใจหมั่นปักป้าปรารถนาที่จะดับทุกปรารถนาที่จะหลุดพ้นแต่ถ้าเป็นความอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะรู้ทำอยากที่จะเห็นเป็นความอยากที่เกิดจากตัวจิต หรือเกิดจากขันท่ามาพรุ์แต่งจิตให้ดับให้ควบคุมจนกว่าเราจะปลายจิตจากความคิดของเราได้นั่นแหละเขาก็จะมองเห็นทางจิตก็จะโล่งกายก็จะเบาความรู้ตัวก็จะตามทําความเข้าใจอากาศของความคิดได้เด่นชัดขณะเราทำความเข้าใจเราต้องรู้ว่านิวัณรธรรมต่างๆมาครอบงำจิตของเราเอาไว้ไหม จิตของเราเกิดความกงหนัดยินดีในรูปลดขีนเสียงกําหนัดในเรื่องของราคาขณะปัจจุบันนี้แหละเราก็รู้จักดับจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาปเราก็รู้จักให้อภัยทานเอาหสิกับมองโลกในทางที่ดีความระลึกรู้ตัวของเราพลังเผอลอเราก็พยายามสร้างขึ้นมาครั้งเผอลอเราก็สร้างขึ้นมาใหม่เพียงแค่กันสร้างความระลึกรู้ตัวให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังทําไม่เกิดความเคยจินแม้แ่อถึงระลึกรู้ลมหายใจเข้าอ๊อก ซึ่งเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดส่วนมากจะไปเอาตั้งแต่ผลอยากจะได้ตั้งแต่รับความสงบอยากจะรู้ตั้งแต่ทำอยากจะเห็นตั้งแต่ทําแต่ไม่ได้สร้างผู้รู้ไม่ได้สร้างความบริรู้ตัวให้ตัวนึกปัญญาของทุกคนนั้นมีเต็มเปี่ยมปัญญ า, โล ก, กญญ า, าโลกีปัญญาในทางโลกปัญญาในทางโลกถึงจะฝักไฝ่ในธรรมมันก็ยังเป็นธรรมโล ก, กีอยู่ดีดีจิตยังไม่ได้คลายออกจากสมมติหรือว่าคลายออกจากขันห้า ทำอย่างไรเราต้องใให้จิตของเราคลายพราะเราต้องหมันสร้างความรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็รู้ให้ทันจิตรู้ให้ทันอาการของความคิดขณะเขาเริ่มก่อตัวเขาก่อตัวอย่างไรขณะเขาก่อตัวจิตเราจะเคลื่อนก็ไปรวมอีถ้าเรารู้ทันตรงนั้นปุ๊บจิตมันจะดีดตัวออกจากความคิดแล้วนก็จะง่ายนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเปิดทางทันทีความรู้ตัวก็จะตามทําความเข้าใจ ตามดูเห็นการเกิดกานดับของความคิดซึ่งเรียกว่าเห็นสภาวะรับรู้อนิจจังทุกครัง อ, อนัตตาในขันท่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความบ้างเปล่าก็เข้ามาปรากฏเรื่องเก่าหายไปเรื่องใหม่เข้ามาบางทีจิตของเราก็เข้าไปผสมรวมซึ่งเรียกว่าไปรวมเป็นตัวดเดียวกันเราต้องสังเกตจนเขาแยกออกจากกันให้ได้ถ้าเขาแยกออกจากกันได้เมื่อไหรเราก็จะมองเห็นอะไรชัดเจนรู้สมมุติชัดเจนรู้วิมุตชัดเจน รู้อัตตารู้อนัตตารู้การเกิดการดับของขันธ์ห้าเรื่องอะไรที่มันเกิดอย่าไปนึกไปคิดเอาเด็ดขาดการได้ศึกษาการได้เรียนการได้อ่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มปิบ๊บแต่การโน้มเข้าไปทําความเข้าใจตรงนี้ต้องทําให้ตัวนึกส ต, ติปัญญาของเราจะมีมากไหมถึงขนาดไหนอาจจะถูกต้องในเรื่องระดับของสมมุติแต่ยังไม่ถูกต้องในะระลับเ้องหลักธรรมจริงๆ ใระดับข้องหลักธรรมเรต้องน้อมเข้าไปดูรู้เห็นตังแตการเกิดการร่วมการแยกการคลายการทําทําความเข้าใจให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องกายของเราทําหน้าที่อย่างไรตาก็ทําหน้าที่ดูหูก็ทําหน้าที่ฟังภาษาธรรมสักแต่ว่าดูเป็นลักษณะอย่างไรสักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรสัแต่ว่าดูสักแต่ว่ า, ว า, วารู้สักแต่ว่าฟังยืนเดินนั่งนอน ให้เป็นแค่เพียงหนูเรียบทเรามีสติคอยสังเกตคอยวิเคราะห์คอยตรวจตาเมื่อใหม่กําลังสติความระลึกรู้ของเรามันน้อยกําลังจิตกําลังขันห้าหรือว่าความคิดเขามันมากมันถึงส่งออกไปข้างนอกถึงรู้ไม่ทันรู้ทันก็เมื่อเขาเกิดไปได้ครึ่งได้ปลายเหตุเราต้องรู้จักควบคุมควบคุมกายอินทรีย์ของเราควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมใจรู้จักวิเคราะห์หาเหตุหาผล อดพูดแล้วก็อดคิดแล้วก็สังเกตดูความคิดแต่เขาเกิดอย่างไรทุกเรื่องในชีวิตไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้พูดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทําถ้าเราเข้าใจภายในแยกแยะภายในแล้วยิ่งจะสน uk, กุกจิตของเราพลั้งเผือให้กิเลส ต, ตัวไหนบ้างเราก็รู้จิตของเราทรงออกไปภายนอกเขาก็รู้ส ต, ติมีความรู้ตัวรู้กายรู้จิตได้ทันกิเลส เป็นกุศลหรือว่าอกุศลมันก็จะรู้หมดกิเลสอยากรู้ว่ากิเลสละเอียด ก, ก็จะรู้หมดขอให้เราสร้างผู้รู้รว่าสร้างความระลึกรู้ให้ต่อเนื่องให้ได้พยายามกันไม่ว่าอยู่ในอริยบทไหนเวลาจะรับประทานอาหารก็เหมือนกันรู้จักกลับประมาณรู้จกักคิดคห์พิจารณากายของเราหิวจิตของเราจะพูงแต่งความอยากเร็วได้ไวเราก็ต้องพยายามดับ ความอยากมันก็เกิดที่ฐานของจิตนั่นแหละฐานของจิตมันอยู่ตรงไห น, นก็อยู่ที่หัวใจของเรานั่นแหละอยู่กลางใจของเรานั่นแหละถ้ากําลังสติของเราไม่ชัดเจนเขาก็จะไม่เผยตัวออกมาให้เห็นเราเห็นชัดถ้ากําลังสติของเราชัดเจนจิต ก, ก็จะเผยตัวออกมาจิตนี่ก็แปลถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไ ม, ไม่ได้คัดไม่ได้เกาเขาก็จะปิดบับบบ<า>งกําพังตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเขายังเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิตนี่เพราะว่าเขาอยู่กับ อารมณ์อยู่กับกิเลสอยู่กับพันธ์ห้ามาไม่รู้ว่ากี่กัดกี่กัดเราจะไปจับเขาแยกแค่นาทีสองนาทีมันเป็นไปไม่ได้เราต้องหมั่นตังเกตหมันม่นวิเคราะห์แล้วก็หมั่นสร้างอานิสงส์สร้า ง, า ง, างบา ร, รมีความเสียสละของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีสัจจกะกัตโตเองหรือเปล่าเรามีพร ม, มีหันมีความเมตตาไหมเรารู้จักคำรวมกายอินทรีย์ของเราไหมวาจารของเราเรารู้จักควบคุมใจของเราเรารู้จักควบคุม จนกว่าจะสังเกตได้รู้ได้ทําความเข้าใจได้นั่นแหละจะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเดวัยอยู่คนเดียวก็มันสังเกตหราอยู่หลายคนแล้วก็มันสังเกตหรามันพัฒสอนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาได้พรัฒสอนอะไรผิดอะไรถูกเรารู้ไม่ทันเราดับเราวางแก้ไขปัจจุบันเราก็จะรู้โทษทันมันพลั้งเผยแล้วก็เริ่มใหม่ผิดพลาดเราก็แก้ไขใหม่ต้องพยายามกันนะ ช่วยกันช่วยกันข้างนอกเราก็ช่วยกันข้างในแล้วก็วิเคราะห์จิตของเราช่วงนี้ก็ฝนฟ้ากําลังจะตกก็คงจะเริ่มตกเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างอากาศก็เริ่มเย็นเข้ามาแล้วก็ทําใจของเราให้สบายทํากายของเราให้สบายไม่ว่าพระว่าชีว่ายงก็หงพ่อก็ขอบใจทุกคนที่มีความสมัครสมานสามัามคคีมีก็อะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปอาคาติอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปว่ากันมันไม่ แก่คนทางที่เจะดับทุกคนทางที่จะดับทุกได้เราต้องแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมีความเฉลิละกับหมู่กับคณะมีความอดทนเในี่ยใจว่าปฏิบัติทำแล้วก็ยกตนข่มท่านมีอคติมีมันมณทินยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะนะกิเลสขณะที่ไม่ได้มาเจริญสตินี้ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่พอมาเจริญสติมาน้อมมาทําความเข้าใจกิเลสมันก็ยิง่งฝึกขึ้นมาให้เห็น ตัวละเอียดละเอียดก็ยิง่งฝึกขึ้นมาให้เห็นยิง่งฝึกไปเท่าไหรยิ่งเห็นเยอะยิย่งเห็นเยอะเท่าไหรก็ททรยิ่งทําความเข้าใจเมื่อจิตยอมรับความเป็นจริงแล้วค่อยละออกไปไม่ใช่ว่าฝึกแค่วันช่วงวันมันจะกลอนออกไปเลยทีเดียวไม่ใช่เราก็ต้องขัดเก่าไปเรื่อยมันเกิดเมื่อไหร่เราก็รู้จักดับรู้จักละเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็ดับเดี๋ยวนี้มันเกิดเมื่อไหร่เราก็ละเราก็ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันเกิดความอยากความตันหนียนวแน่นเราก็พยายามละความอยากความตันหนียนวแน่น ด้วยการบริจาคด้วยการให้ให้ระดับของสมมุติแล้วก็ให้ระดับของมีมุตคือให้อภัยทานให้อโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีแล้วก็รู้จักจุดฐานทานความคิดทานอารมณ์ถ้าเรายังแยกไม่ได้ตามดูไม่ได้เราก็ร้เราก็คงจะเอาเอาตรงนั้นออกไม่ได้เราต้องให้รู้ให้จิตของเราใายออกจากความคิดให้ได้ช่วยก่อนกำลังสติ ง, งเราตามทําความเข้าใจให้ได้ช่วยก่านจิตของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเองนั่นเอง การเกิดก็เป็นทุกข์การเข้าไปร่วมก็เป็นยินดีกับอารมณ์ต่างๆเขาก็เป็นทุกข์เราต้องพยายามหมานะ